พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8กรกฎาคม2560ในีชื่อเรื่องว่าเส้นทางตามหาสมบัติ่ังใจสมาทานสินโคศกผู้นำมันต้องพูดเสียงดั ง, ดง เป็นผู้นำํำฟังให้เสียงดังฟังชัดจะให้ลูกน้องลูกหาบแสงหน้าไม่ได้น ะ, น ห, ะ <c oughs> หัวหน้าพูดอยู่ใกล้ไหมต้องพูดเสียงดังๆถ้าลูกลูกหาบจะแสงหน้านะเราต้องพูดให้เสียงดังว่าเราต้องการอะไรอยากจะให้มันเป็นอย่างไรนะวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะจัตตาร์ญาติโยมลูกหลาน ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะหลวงพ่อได้พูดว่าในพรรษาปี60เนี่ยเราจะทำปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเนี่ยแหละมาถึงล้วเทเนวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาและก็วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญ เป็นวันที่พวกเราจะตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงเราก็การเทศสมาทานสินในวันนี้ก็เราก็ตังต้งจิตตั้งใจไว้เลยว่าในพรรษาในข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าตลอดไตรมาสสมเดือนเหลือว่าข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถศินคือศินแปดตลอดไตรมาส3มเดือนหรือว่าเราจะรักษาทุกวันพระหรือทุกวันเสาร์อาทิตย์ หรือว่าวันใดวันหนึ่งที่เราคิดว่าสะดวกในจิตใจของเราพวกเราก็ควรจะทำวันนี้นะให้เป็นวันที่ชัดเจนถาวรปีผ่านมาพวกเราก็ไม่ได้คิดผ่านไปผ่านไปแต่บัด น, นี้อายุของเรามาถึงปูดนี้แล้วพวกเราก็ควรจะตั้งหลักตั้งจิตตั้งใจใหม่เพราะว่าในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เราก็ไม่ได้เคยลดละแต่พอมันจะเป็นเศรษฐีคงคงจะเปิดสีเป็นเศรษฐีก่อนหน้านี้แล้วละ่ะแล้ว ก, ก็อนที่จะเป็นอะไรเราก็ควรจะตั้งจิตตั้งใจให้ดีในพรรษานี้นะแต่ครูบาอาจารย์เคยเตือนนะข้าราชการญาติโยมลูกหลานนะผู้ที่จะตั้งจิตตั้งใจภาวนาเนะี่ย อย่าไปเล่นการพนันเนอร์านวานนะอย่าไปแทงหวยนะอย่าไปเล่นหวยถ้าหากว่าเล่นหวยเนี่ยมันจะทำให้จิตใจ ว, ว, ว, ว, วั่นว้ยแกร่อยแกร่งเวลาจะนั่งภาวนาเนี่ยมันจะคิดประวัติแต่ถึงเลขที่จะออกที่ตัวที่เท่าไหร่เพราะนั้นผู้ที่จะภาวนาในพรรษานี้ปวดงดอบายยมุกทั้งหลายทั้งปวง ที่มันจะรวยเมื่อกองจะรวยมาก่อนหน้านี้แล้วะเราไม่ต้องวิตกกังวลตัดขาดเลยในสมเดือนเชื่อกูบาอาจารย์ดูซิแต่หากว่าพวกเราเยังไม่เชื่อกูบาอาจารย์พอถึงวันที่หนึ่งวันที่16บหกจิตใจมันตกบตบุตมตอมจิตใจหวัน่นไหวกวยแกว้งแล้วนะมันจิตใจจะไม่เป็นสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นให้พวกเราเฟังดูซิกูบาอาจารย์ที่ท่านเตือนมา นั่นแหละขอให้พวกเราทุกท่านนะในพรรษานี่ก็อยากจะให้พวกเราตั้งตนตั้งต้นตั้งลําให้ได้อย่าเป็นผู้ห ล, ล่ะแหลกโลกโลกเละโลเลโลกเ ล, ลกเลไปเรื่อยหาจุดจบไม่ได้ไม่ได้จะถูกต้องนะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราเนี่ยแหละหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลถือว่าศีลวันนี้เป็นศีลเป็นศีลลวดสลิงนะไม่ใช่ศีลแบบ เชือกกระดาษนะ เ, เชือกกระดาษมันถูกน้ํามันขาดเร็วนะแต่วันนี้ถือว่าเป็นสินลดจริงก่อนที่เราจะรักษาให้ตลอดรอดฝั่งได้ก็เป็นการดีที่สดุดสําหรับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายานี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ทํามามากต่อมากอายุถึงปูนนี่แล้วนะ ต่อนนี้ไปพวกเราก็จะตั้งตนตั้งลำใหม่เพื่อจะผันหน้าต่อคุณงามความดีชีวิตของพวกเรามันไม่ฟังถาวรแน่นมั่นคงหรือ ว, ว่าเที่ยงตรงนะไม่รู้จะอีกวันไหนต่อ ว, วันไหนพวกเราอย่าได้เสียใจเมื่อปลายมือนะเพราะนั้นให้เราพวกเราประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆถ้า ชีวิตของเรายืนยาวแล้วก็เป็นบุญกุศลอันยืนยืดยาวนะถ้าว่ามันถึงจุดจบของเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีอยู่แล้ว น, ะ น, นี่แหละอันนี้คือเป็นการเตือนเตือนให้พวกเราคณะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าบริษัทเป็นบริษัทจำกัดของพระพุทธเจ้านะพวกเราจะทําตนยังไงใน ในหน้าที่ของบริษัทของเราควรจะประกอบคุณงามความดีตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าเจ้าของบริษัทนะให้ดำเนินการอย่างไรพวกเราเป็นลูกหาบนะเกิดมาสุดท้ายภลายหลังก็ควรจะเดินตามที่บริษัทท่านให้อยากจะให้เดินอยากจะให้พวกเราปฏิบัติจะเดินตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ นี่แอันหนึ่งคือบทหนึ่งก็คือเนี่ยเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลห้านี่นะที่พวกลวงพ่อจะเป็นผู้พานำอันนี้คือจุดหนึ่งที่พวกเราที่พระพุทธเจ้าที่บัญญัติว่าให้พุทธบริษัทปฏิบัติให้ได้สําหรับครวญญาติโยมก็คือศีลหา้านะถ้าต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศี ล, อ, ล, ล, ลอุโบสถศีลห้าและศีลอุโบสถในวนันนี้นะ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ส, สีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเยอ้าวณะทัตธาญาตโยมโลกลานก่อนที่จะเข้าพรรษาปีนี้ปีหกศูนย์่พวกเราก็ควรจะทำความเข้าใจกันก่อน บางท่านลูกหลานที่เข้ามาเก่าก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีไม่มีปัญหานะแล้วก็ลูกหลานที่มาใหม่จะตั้งหน้าตามาเพื่อจะทําบุญในวัดของเราก็ควรจะทําความเข้าใจกันก่อนนะเพราะนั้นหลว ง, ลงพ่อจะได้พูดได้กล่าวกฎระเบียบหรือว่าวิธีการปฏิบัติสําหรับศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะที่จะมา ทำบุญแลวก็วันนี้เป็นวันอาสารหาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันอาสารหาบูชาเป็นวันสำคัญชนะไหนนี่ก็คงจะพูดกันมายาวนาน แต่บางท่านบางคนอพอฟังแล้วก็หลงลืมหลวงพ่อจะได้ย้ำอีกว่าวันสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนธจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เสวยวิมุติสุขที่โคลนต้นโพเจ็ดวันแล้วก็ก่นต้นนิโคธต้นไซเจวันสะมุจจลินเจ็ดวันแล้วก็ เมื่อพระ อ, องค์ได้สวยวิมุติสุขเพียงพอแล้วพระองค์ก็ได้นึกจะไปโปรดใครก่อนนอที่ทำที่เราได้ตัดสร้ในวันที่ผ่านมานี้พระ อ, องค์ก็มองเห็นปัญจวัคคีทั้งหที่หนีออกจากพระ อ, องค์ห่างจากพุทธคยาไปสู่พาลานสีเมืองพารานสีจากนั้นพระ อ, องค์ก็ดเดินทางด้วย พระ อ, องค์เองไปโปรดปัญจวคขี่ทั้งห้าที่เมืองพาราณสีพอมาถึงแ ว, วันนี้แหละเป็นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยพระองค์ก็ได้แสดงธรรมะจักกระวัตินัสูตรจากนั้นก็อนัตตลกนัสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกน่ยพวกเราได้ศึกษาจากนั้นปัญจวคขี่ทั้ง5ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้บวช ในพระพุทธศาสนาบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงถือพวกเราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีทั้งหปัญจวัคคีทั้งห้าก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงว่าครบพระารสารนคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครบในวันนี้เมื่อ2560 หกปีให้หลังจึงถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันสําคัญอันนี้ก็คือวันนี้นะวันอัสสรหบูชาแต่ในทางวัดของเรากฎกติกาของวัดเราพระปีนี้ในขณะนี้มีพระทั้งหมด50นะแต่ก็ยังไม่เนี่งนะวันพุ่งนี้แหละเนี่งพวกเราจะขยับไปที่ไหนบ้าง อ, อย่างไรที่จะจําพรรษาอยู่ที่วัดของเรา แต่ก็คงจะประมาณทักไม่ต่ำกว่า40กว่าองน ะ, ะ40่ปลายปลายนะไม่ใช่ 40, 40่ตต้นๆ น, น, นะอาจจะ46 47 48ในช่วงนี้แหล ะ, ะพระที่จะจำพรรษาแต่นี้คณะสัทยาญาติโยมผู้ที่จะมาตักบาทคือกฎกติกาและกฎระเบียบของวัดที่พวกเราได้ถือปฏิบัติกันมาพระ อ, องค์หลวงตามหาบวนหลวงพ่อเข้าไปศึกษาก็องค์หลวงตา หลวงตาภาพปฏิบัติมาอย่างไรหลวงพ่อก่อได้นําแนวทางปฏิบัติขององค์หลวงตานํามาประพฤติปฏิบัติในวัดของเราคิดว่าใ ห, ใหญ่กับพ่อก่อกับครูนะครูบาอาจารย์พาดําเนินยังไงเราก็เห็นว่ามันถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยเราก็ทําตามนะเพราะะฉนั้นหกศรัทธาญาติโยมผู้ที่มาทําบุญที่วัดของเราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยจะมีการ ใส่บาทหน้าวัดนะตรงนี่แหละตรงที่ระเบียงยาวๆเนี่ยนะที่หน้าวัดของเรานะจะมีการเรียงแถวกันตักบาทพระสงฆ์ก้อยเตบินทาบาทมาพร้อมกันทั้งหมดแล้วรัมาจุดหยุดจยู่จุดใ ด, จ, ด, ดจุดหนึ่งทั้งเนี่ยนะยากนั้นก็เดินบินทะบาทพร้อมกันพวกสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานผู้เที่มาใส่บาทก็เนะ่ยเตรียมอาหารมาใส่บาทแต่ก็ไม่ต้องหนักใจนะไม่ต้องหนักใจเพราะอาหาร เราจะจะใส่องค์ไหนจะสายปลายแถวหรือใส่ท่งไหนก็ใส่ได้นะเพราะพระสงฆ์ที่อาหารกระพื่ว่าน่าจะเพียงพอไม่น่ามีปัญหาเพราะอาหารทางในครัวและอุบา ส, กบาสิกาที่มารักษาศีลในวัดของเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะที่จะมาตักบาตรให้เพียงพอสาหรับพระสงฆ์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่พวกเราเข้ามาพวกเราจะจะทาบุญ อยากจะทําให้ครบทุกองค์ก็ได้หรือว่าเออคงจะไม่ครบแล้วครูบาอาจารย์คราวนีเ้เราจะใส่ยังไงก็สุดแท้แต่แต่ก็มาใส่ทั้งหน้าวัดถ้าเข้าไปในวัดละพระสงฆ์จะไม่รับอาหารนะอะไม่รับอาหารที่ตามสง่งมาภายหลังอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวกับคณะจตห า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานได้รับรู้รับทราบนะอันนี้ก็คือพวกที่เคยมาแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่เข้ามาใหมนะ่เนี่ย บางปีก็หลายรุ่นหลายคนเหมือนกันจะ ต, ต้องทำความเข้าใจแฮีบางคนเอาทำไมวัดอื่นเขาทำได้แต่ทำไมวัดของท่านอาจารย์ทำไมหลวงปู่ทําหลวงตาเนี่ยทำไมอันนี้ก็ให้เข้าใจเอาไว้วันนี้คือแนวปฏิบัติขององค์หลวงตาวัดป๋าบ้านตาที่ท่านพาลูกพาหลานปฏิบัติมาเพราะนั้นหลวงพ่อก็ต้องเดินตามแนวแถวที่องค์หลวงตาพาปฏิบัติแล้วก็สำหรับ เรื่องส่วนตัวก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะในพรรษานี้นะพวกเราจะเอาอยัางไงหลวงพ่อย้ําแล้วเตือนอีกจุดนี้นะเป็นจุดที่พวกเราจะต้องประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่พวกเราจะออกจากวัดป่านาคําน้อยไปพวกเราจะตั้งจิตอธิษฐานยังไงต่อนหน้าพระพุทธปฏิมานะพระพุทธอุโรมงคลสองนะ คือพระพุทธอุรม์มงคลหนึ่งอยู่ในวัดนะอันนี้พระพุทธอุรมมงคลสองก็อยู่เนะี่ยที่พวกเราเห็นเนะี่ยเราจะตั้งจิตนิรฐานต่อหน้าพระประธานยังไงข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ขาดและทั้งเช้าทั้งเย็นทำวัดแนละ้วก็แผ่เมตตาด้วยข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาอย่างน้อยวันละ2ี่นาทีหรือว่า30นาทีแต่สุดแท้แต่พวกเรา เห็นสมควรแต่พวกเราจะตั้งจัดจาอธิษฐานต้องเราต้องถีถ่วนซะก่อนน ะ, ะไม่ใช่มัวเมียคิดใดคิดทำไม่ได้นะถ้าคิดได้คิดทําไปว่าโกหกตนเองเออโกหกข้านี้ยังไม่แล้วโกหกข้าวหน้าอีกเลยตอแหลไปเลยหาจุดกดหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งจิตอธวิฐานแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสมเดือนศีลอุโบสถทุกวันพระเดี่ยวนี้เป็นต้น หรือใบายามุกทุกอย่างข้าวไปเจ้าจะไม่ดื่มน้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนัน เ, เราจะคบแต่บัณฑิตนักปราศคบแต่ศีลแต่ธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งจตจังตั้งใจมั่นถ้ามีความเอาทะข้าวไปเจ้านิสัยของข้าวไปเจ้านี่มีแต่อารมณ์โกรธอยู่ในจิตในใจ บางทีก็โกรธไม่มีเหตุไม่มีผลในพรรษาในข้าพเจ้าจะเป็นคนใจดีจะไม่โกรธให้ใครแม้แต่น่อยเดียวก็จะพอมันจะโกรธเราก็จะเลือกหรว่าข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะไว้ไแล้วจะไม่โกรธสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพื่อนได้กล่าวอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าผู้ใดจะมาภาวนาทนะึางงด เล่นการพนันรถแทงหวยเนี่ยก็ดีนะพ่านปล่อยลายเพราะถ้าคนเล่นหวยแทงหวยเนี่ยรวยมากมันจะจิตใจมันจะปั่นป่วนจิตใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัววันที่หวยจะออกอเสียสมาธิท่าว่านะมันเสียไปนานทีเดียวเลยพอมันเสียเงินก็ว่าก็เสียใจไปนานและก็ดีใจไปนานเพราะนั้นถ้าในปัญสานี่ยทางรดได้ก็ดี เพอจะได้ตรวจตราดูตนเองใจของข้าพเจ้าเป็นยังไงในพรรษานี้เนี่ยเราอยากจะให้พวกเราทุกๆท่านเรียก ว, ว่าพวกเราเออเอาเถอะข้าพเจ้าจะทําบุญใส่าต ท, ทุกวันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเออเราจะทํำยังไงทําบุญตักบาตรหลวงพ่อก็จะเคยเน้นย้ําว่าออควรจะมีกระปุกหมูหมากาไก่อะไรก็ได้ที่เจาะหลังอล้ก็หย่อนตู้ลงหย่อนลงไป วันนี้เราจะใส่บาตรหลวงตาวัดหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่ฟัน่นแวัดไหนที่เป็นคูบาตรจานที่เราตระกูลของเรารักเคารพนับถือเริ่มใส่เราก็ใส่บาตรเข้าไปออกพรรษาแล้วก็ น, นําจะตุปัจเหล่านั้นไปถวายแวัดที่เรารักเคารพนับถือเริ่อมใส่นั้นที่ต้นตระกูลพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่รักเคารพนับถือเริ่อมใส่อันนี้หลวงพ่อก็เคยพูด แนะนำบอกกล่าวนะแต่จะไปเอามาวัดของหลวงพ่อก็แล้วกันพอหลวงพ่อเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวทําบอกกล่าวเข้ามาเหมือนกับแนะนําเข้ามาหาตนเองนะอันถูดูมันกระไลอยู่นะแต่ถึงยังไงให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้สติใช้ปัญญาให้ให้เกิดประโยชน์ให้เสริศรัทธานะอันนี้คือการทําบุญไม่ควรจะละเลยในการทําบุญนะถึงจะมากหรือน้อยก็ควรจะทําอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะ หรือว่าเดือนหนึ่งเราจะทําวันละ บ, บาทก็ยังได้นะวันละหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทไปก็ยังได้อันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและก็เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานของพวกเราอีกต่างหากนะพ่อแม่ของเราเนี่ยเคยทําบุญนะเคยพาให้เราหยดกระปุกทําบุญนะในเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็มีน้ําใจต่อพี่ต่อน้องต่อวงศาคณะญาติ ต่อเพื่อนต่อฝูงต่อพ่อต่อแม่ของเขาเป็นอุปนิสัยติดพบติดชาติติดตระกูลของเราเป็นผู้มีจิตใจ เ, อ, อ, อ, เ อ, อือเฟื้อเอืออารีแบ่งปันอแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีแต่สอนให้เห็นแก่ตัวลูกหลานของเราก็จะเห็นแก่ตัวตลอดไม่เห็นแก่ใครใ ไ, มไม่เห็นแก่ใครทั้นนะั้นแบ่งปันให้ใครก็ไม่ได้ผลทผลที่สุดก็ะเลาะเพราะแว่งกันในเกือ วงศาคนาญาติผิดนิดๆน้นอยๆ เ, ออเพียงหเพียง10 บ, บาทนั้นเลโอ้เป็นจะแทบล้มแทบตายแต่ตัวเองใช้เอาลุยชุยแชกไม่เห็นเป็นไร น, ะนี่แหละอันนี้เป็นความเห็นแก่ตัวถ้าพวกเราแนะนําสั่งสอน บ, บอกกล่าวลูกหลานของเราให้เป็นผู้เสียสละนะพวกเราจะเป็นได้ลูกหลานที่ดีต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานของเราก็จะมีน้ําจิตน้ําใจต่อ ว, วงศาคนาญาติ ต่อพ่อต่อแม่ของเขาในอนาคตเนี่ยพ่อแม่เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกนย้ําอีกว่าลูกหลานต้องรู้จักประมาณตนนะไม่ใช่ว่าการทําบุญก็ไม่ใช่มีเท่าไหร่ทาทั้งหมดก็ไม่ใช่ถ้าทําอย่างนั้นเรียกว่าทําโง่แบบโ ง, ง่โง่การที่จะทำํำเราก็ต้องแบ่งแบ่ ง, บงกินแบ่งทานแบ่งใช้นะใ น, นละการทําบุญทําทานไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะแนะนําให้พวกเรา มีเท่าไหรก็ทําหมดไม่ใช่แต่ไม่ทำเฉลยอันนั้นตําหนิหน้าตําหนินะผู้ที่ไม่ทําบุญทำทานไม่มีการเสียสล ะ, ะเฉลยการอยู่ด้วยกันไม่ต้องมีการเสียสละทานะศีลภาวนาในหลักของพุทธศาสานาคือหลักใหญ่คือทานศีลภาวนาทานก็นคืออะไรคือการเสียสละอามิสตานการอยู่ด้วยกันพ่อแม่เลี้ยงดูลูกนี่นก็คืออามิสตทานให้กับลูกนะ ในเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชรลาเมื่อลูกของเราตั้งตกตั้งตนตั้งหลักตั้งฐานได้แล้วเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของเราเพราะพ่ อ, พอแม่ของเราเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรกอนพวกเราในฐานะลูกก็ต้องหลานลูกหลานกระเจ้แสดงแสดงความกตัญญูกต ว, วทิทิตาต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา ที่เราลืมตาอ้าปากได้เดี๋ยวนี้ก็เพราะอะไรเพราะปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราได้หาหมอระดกไว้จนได้เราได้เรียนหนังสือจนได้หน้าที่ตาแหน่งหน้าที่การงานจนลืมตาอ้าปากได้ทุกวันนี้ก็เพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอ่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุล พระพุทธตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้แหละคือหน้าที่ของบุตรที่ดาลูกหลานทั้งหลายให้ฝังฟังเอาไว้นะอันนี้คือการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีฐานะต้องมีการเสียสละจากนั้นก็เป็นผู้มีศีลคือกฎระเบียบกฎกฎติกาการอยู่ด้วยกันต้องมีสูงมีต่ํเาเราเป็นเด็ก เราควรจะแสดงความเคารพต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างไรยกมือไหว้อย่างไงอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไงมีกฎระเบียบอย่างไงโปรดให้สุดการอยู่ด้วยกันเพราะพระเจ้ากบัญญัดสินห้านี่นะเนี่ยเป็นกฎกติกากฎระเบียบสําหรับมนุษย์ชาติอยู่ด้วยกันถ้าว่ามนุษย์ชาติอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกฎอยู่ในระเบียบแล้วถึงจะมากขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีการคิดฆ่ากัน จะไม่มีการคิดคำวัยกันเคารพในสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกันไม่ดื่มสุรายาเมาคันชายยาฝิ่นเฮโรอีนเอ่อยาเสพติดทั้งหลายที่เป็นอันตรายเมื่อดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดจตติตในเมื่อคนขาดจตติตแล้วทำความชั่วเสียหายเพราะคนเป็นบ้านะเพราะนั้นเราจะไม่เป็นบ้าในชุมชนสังคมเราจะเป็นผลดีในชุมชนสังคม นี่แหละอันนี้คือศินกติกฎกติกาที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้จากนั้นก็เป็นแนวความคิดอีกคือสมาธิภาวนานะคือแนวความคิดเราคิดยังไงจึงจะเป็นคิดยังไงจึงจะถูกต้องคิดยังไงมาคิดผิดคิดยังไงมาคิดถูกนะเอออันนี้เราก็ต้องใช้หลักธรรมคําสอนหรือว่าอาศัยได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์ศึกษาธรรมะในเมื่อเราได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ใช้ปัญญาของเรา นำมาการกลองไตรตองอีกที่เนื่องว่าอันนี้เราคิดผิดหรือเราคิดถูกเมื่อเราคิดผิดการพูดออกไปมันก็ผิดการทําออกไปมันก็ผิดเพราะอะไรมันผิดมันผิดออกมาจากใจนะถ้าเราคิดถูกนะคิดไปในเป็นการปูนการผลทิ่เพื่อสร้างสารรค์คิดในทางที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐนะิเมื่อคิดดีแล้วถูกต้องแล้วการกระทําออกไปมันก็ถูก การพูดออกไปมันก็โทกเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรเพราะเราคิดถูกนะเพราะฉะนั้นการคิดจุดนี้แหละคือหลักของพุทธศาสนาอย่างไงจึงจะว่ามิจฉาทิฏฐิคิดผิดจะทํำยังไงจึงว่าคิดโทกนะอันนี้เราต้องศึกษานะศึกษาในหลักธรรมคําสอนนี่แหละพระธรรมสังขรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตานะอย่างของหลวงพ่อเนี่ยก็เถอะนะหนะลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเนะี่ยหลวงพ่อก็มั่นใจนะ มั่นใจใ น, นการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวในคําพูดของหลวงพ่อใน MP3 ของหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อแจกไปหลวงพ่อมั่นใจนะจึงได้แจกให้ลูกให้หลานแต่ลูกหลานเอาไปฟังเอาไปศึกษาดูแล้วนะในหลักธรรมคำสอนหลวงพ่ออินคําไหนที่พูดผิดพูดไม่อยู่กระร่องกรอยหรือพูดผิดพระธรรมวินัยพูดผิ ด, ด, ผ ด, ด, ผ ด, ด, ผดกฎจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศชาติของชาติศาสนา ตลอดถึงท่านพระมาหากษัตริย์หลวงพ่อพูดออกไปแล้วมันคํานี้ไม่ถูกต้องหลวงพ่อเองก็อยากจะได้ยินอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อมั่นใจในการที่จะเอาทำคําสอนออกไปเนี่ยหลงพ่อได้ศึกษาเกิดมาแล้วก็ได้ศึกษาศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติได้ยินจากครูบาอาจารย์บ้างจากเทพจากหนังสือบ้างจากตํำรับําราบ้างค้นคว้าศึกษาหลวงพ่อก็มั่นใจ จึงได้นํามาพูดมากล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานพระเนรในเอ็มพีสามด้วยหนังสือนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวออกไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัตยาติโยมทุกคนเมื่อได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติแต่หากว่าพวกเรายังข้องใจสงสยัยจุดไหนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนะั้นมันสแสลงหูแล้วมันไม่ถูกต้องหลวงพ่อก็อยากจะได้ยินเหมือนกันนะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายย้อนกลับมา หน้าที่เท่านี้คำพูดอย่างนี้ตรงนี้หลวงพ่อพูดไปแล้วไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อ น, นะอันนี้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับลูกหลานที่บอกกล่าวมาไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดไปแล้วก็เอาสีข้างเข้าถูแล้วก็เอาความคิดของตัวเองมโทุกขใช้อย่างเดียวไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นะขอให้พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังได้ทำคาสอนของหลวงพ่อแล้ว ก็นำไปกันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็นําไปประพุทธปฏิบัติเมื่อประพุทธปฏิบัติแล้วเป็นสมบัติของพวกศรัทธายาติโยบนะไม่ใช่ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีแต่เป็นผู้ชี้นําทําอย่างนี้มันอย่างนี้นะลูกหานนะเอ่อให้ทานอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้นะทําสมาธิให้จิตใจสงบอย่างนี้นะให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่างนี้นะหลวงพ่อมีแต่เป็นผู้ชี้หนทางให้แต่ลูกหลาน นำเดินตามขนทางที่หลวงพ่อชี้แล้วเป็นสมบัติของลูกหลานแท้ๆอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเหมือนกันที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาหลวงปู่ล่าก็ดีหลวงตาหมาบัวก็ดีครูบาอาจารย์องค์อื่นๆก็ดีน่ะหลวงพ่อเขาไปศึกษาธรรมะจากท่านท่านก็แนะนําสั่งสอนอย่างที่หลวงพ่อพูดกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเนี่ยนะแล้วท่านเหล่านั้นล่ะที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาท่านได้อะไรจากหลวงพ่อล่ะหลวงพ่อได้ทําอะไรให้ท่านล่ะ ท่านก็ไม่ได้อะไรมีแต่ท่านแนะนำแต่ความรู้ความฉลาดนั้นความรอบคอบนั้นอยู่ในจิตใจของหลวงพอ่อเต็มเปี่ยมนะอยู่ในจิตใจลำเลึกถึงพระคุณของท่านแต่เมื่อเราเมื่อหลวงพ่อได้รับแล้วหลวงพ่อมาชี้แจงให้ลูกหลานฟังอีกเมื่อลูกหลานศรัทธาญาติโยมได้ฟังนํไปไปประพฤติธปฏิบัติแล้วเป็นสมบัติของตนเองหลวงพ่อก็ไม่ได้ใดอะไรไม่ได้ไดอะไรจากพวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นสมบัติของตนเองเพียวๆอะไรจะนี่แน่นแหละอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็ต้องผู้ที่จะรับรู้หรือฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้เนะี่ยต้องอาศัยการได้ฝินได้ยินได้ฟังนะคณะทศไทาญาติโยมลูกหลานนะหลวงพ่อก็เหมือนกันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจึงยกขึ้นบ่อยๆว่าผู้ฟัง ชอบได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้แต่ก่อนเราสงสัยเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงมันถูกหรือผิดเนี่ยในเมื่อเราได้ฟังแล้วก็เราก็ตัดความสงสัยได้เออใช่ท่านพูดมาเนีเ่เราก็จะได้รู้ตัดความสงสัยเสียได้แล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทความเห็นให้ถูกต้องได้ ทําความเห็นให้ถูกเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็นี่คิดถูกแลยใช่ที่ว่าคิดยังไงจึงคิดถูกใ น, ะนเมื่อเราได้ฟังอาศัยที่การได้ยินได้ฟังหลายครั้งเราก็าคิดถูกแล้วใช่คิดถูกแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนี่แหละเมื่อเราได้ฟังอัดฟังธรรมแล้วเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเพราะได้รับฟังเหตุผล น, ะนี่แหละ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 อันเี้กสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังทงั้งเน้ทนทั้งเน้นเป็นพระบาลีอีกนะยืนยันในพระบาลีอีกว่าสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่างได้ยินได้ฟังวันนี้ละหลวงพ่อให้แนวความคิด อ, อให้อยู่ในหลักในธรรมนะืลูกหลานเนะื้ปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้นะ อย่าไปเล่นหวยเล่นเบอร์นะชาตินักภาวนานะจะทําให้จิตใจวันไหวไกวแหว่งนะอย่างนี้แหะนี่แหละเมื่อเราได้ยินในฝฟังก็นํามาจินตนาดูมันจริงไหมเห็นว่าจินตามะยะปัญญาแล้วก็ภาวนามยะปัญญาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้เน่งอย่างนั้นก็นํามาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลอันนี้เกิดปัญญาที่แท้จริงปัญญาของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ปัญญาของพระหันปัญญาพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคือภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็นํามาการกรองไตรตรองด้วยปัญญาวิปัสนานี่นี่แหละอันนี้ว่าภาวนามายปัญญาสุสั่งลัสเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญา สรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษานะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะฉะนั้นเวลาศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาถึงวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะไม่คิดว่าเออลูกหลานทุกคนไม่ต้องได้ยินได้ฟังอะไรหรอกพอมาเห็นพระประธานเท่านั้นแหะมาเห็นพระประธานก็เกิดความรู้ความฉลาดเลยละไม่ต้องแนะนําสั่งสอนหรอกหลวงพ่อจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อได้ศึกษา มาจากพ่อแม่ครูบาจารย์หลวงปูล่ลาก็าดีโอ้โหแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันพวกเราได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาดูสิหลวงตามหาบัวเนี่ยต้องเป็นผู้แนะนำหลวงพ่อมองไม่เห็นเลยว่าถ้าว่าครูบาจารย์ไม่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วลูกศิษย์ทั้งหลายจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาหลวงพ่อมองไม่เห็นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงวันนี้เอาเลี่ยมหนึ่งขึ้นมาพูดวันหนึ่งเอาเลี่ยมหนึ่งเข้ามาพูด เพื่อจะให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมได้สังเกตได้ยินได้ฟังได้จากนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้พวกเราเป็นพุทธศาส น, นิกชนเป็นพุทธบริษัทที่ดีเมื่อได้ยินได้ฟังก็นํามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นสมบัติของพวกเราท่นทั้งหลายนะเอาต่อเ น, นื่ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรในะตีหน้านะเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะให้พวกเรา น้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลเลื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างที่ทายกได้พูดได้กล่าวนะและกุทิศล ส, ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เ, ออเมื่อท่านตะกอนพวกท่านทั้งหลายเแ่านั้นนะออวันเทศกาลเข้าพรรษาอย่างนี้นะออพวกเราเองได้มาทําบุญตักบาตรแต่และ ว, วัดนะแต่วันนี้เราได้ทักรับความทุกข์ อ, อด้วยเวรกรรมของข้าลูกหลานทั้งหลายคงทําบุญเ อ, อวันเทศกาลเข้าพรรษากำมังเนี่แหละปู่ย่าตายายของเราก็คงจะคิด อ, อมาเห็นเห็นพวกลูกหลานพรลูกหลานมาทําบุญวันนี้แล้วก็เออน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลผ้าพ่อแม่ของข้าพเจ้าดวงวิญญาณพ่อแม่ของข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยากอย่างไรขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้น อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราเมื่อไปทําบุญณสถานที่ใดนะเมื่อพระเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรให้เราน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณสําหรับพวกเราอันนี้คือหน้าที่ของอพวกเราที่เป็นบุตรลูกเป็นลูกเป็นห ล, ลานของปู่ย่าตายายเป็นลูกของพ่อของแม่นะควรจะคิดอย่างนั้นนะทศายาจโยมนะอ่ะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร อ, อุทิศส่วนกุศลนา